รวมสิกขาบทที่มีในกฐินวัรหนึ 1. ปฐมกฐินสิกขาบทว่าด้วยกฐินดาะข้อที่หนึ่งสอุดโทสิตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเก็บจีวรไว้ในโรงเก็บของ 3. ตติยะกฐินสิกขาบทว่าด้วยกฐินดาะข้อที่ส 4. ปุรานจีวรสิกขาบท ว่าด้วยการให้ซักจีวรเก่าห้าจีวระปฏิคหานะสิกขาบทว่าด้วยการรับจีวรหกอัญญาตกะวินยติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอคฤหัตผู้ไม่ใช่ญาติ 7. ตะตุตริสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกิน 8. อุปัคคตะสิกขาบท ว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร 9. ทุติยะอุปัคตะสิกขาบทว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรข้อที่สองราชาสิกขาบทว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวาย